ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่จำเป็นมากสาหรับคนไข้ก็คือการมีหมอดีมีอาดีแล้วก็มีเครื่องมือดีสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยหายจาก โรไปแค่เจ็บแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างนึงก็คือจิตใจที่ดีซึ่งคนไข้ต้องมีใจจิตมีใจมีจิต ม, มีใจที่ดีมีความเป็นปกติสุขภาพจิตจะดีแล้วก็ผ่อนคลายเมื่อมีจิตใจดีแล้วก็สามารถช่วย โรคไปเคเจ็บทางด้านร่างกายเนี่ยทุเลาเบาบางลงได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีจิตใจดีก็มีส่วนช่วยให้คนรอบข้างหรือผู้ที่ดูแลคนไข้อยู่พลอยมีจิตใจที่ดีด้วย ทำให้ผู้ดูแลเนี่ยมีความสุขมีกำลังใจจะดูแลเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยความเต็มใจ